ทุกเชา้าหรือเย็นเมื่อเราสดดวดมนต์แล้วเราก็ <c oughs> แผ่เมตตาให้กับสบรรพสัตว์ที่จินการแผ่เมตตานี้ทำได้ตลอดเวลานะ <c oughs> ไม่เป็นต้องทำหลังจากทำว่าสดดวดมนต์เราจะทำก่อนนอนนะหรือว่าตื่นเช้าขึ้นมา ก็รู้แล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีนะความมตตานี่ช่วยทำให้ใจเราเป็นกุศลใจเราสงบเย็นแล้วก็ควรทำนะไม่เฉพาะกับคนที่เรารักคนที่เราชังหรือคนที่เขามุ่งร้ายกับเราก็ควรทำนะเพราะว่า มันจะช่วยบรรเทาความโกรธความเกลียดในใจเราทำให้ใจเราสงบเย็นเป็นสุขที่จริงนอกจะการแผ่เมตตาให้กับผู้อื่นแล้วนะการแผ่เมตตากับตัวเราเองก็สำคัญเหมือนกันนะแต่ให้เราแผ่เมตตาให้กับตัวเรา จะได้มนะีความโกรธความเกลียดจะได้มีความที่ตกกังวล น, นนะ้ครอมนำใจเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ความโกรธความเกลียดครอบํำใจรวมทั้งอารมณ์อกุศลอย่างอื่นด้วยเช่นความทิตกกังวลความเศร้าโศก ความขับแข้งนั้นก็จะเป็นการทำร้ายตัวเองที่จริงคือแม่จะไม่แผนไม่ตายกับตัวเองนะแต่ว่าพยายามดูแลใส่ใจจิตใจของตัวเองอันนี้ก็ดีเหมือนกันแล้วก็ดียิ่งกว่าการแผนเม่ตายให้กับตัวเองเสร็จ แ, แล้วก็ ลือไปว่าควรจะทาอะไรกับจิตใจของตนคนเราทุกคนก็มักจะคิดว่าหรือมักจะบอกกับใครๆว่าฉันรักตัวเองเ mm hmm. วลาถามว่าเรารักตัวเองไหมทุกคนก็บอกว่าใช่ฉันรักตัวเองแต่ว่า บ่อยครั้งเราก็ทำร้ายตัวเราเป็นการทำร้ายโดยไม่รู้ตัว <Okay. S 1> เราทำร้ายตัวเองอย่างไรเราทำร้ายตัวเองด้วยการปล่อยให้ความโกรธความเกลียด <Yeah. S 1> หรือว่าความเครียด <Yeah. S 1> มารุมเราเล่นงานจิตใจของตัวและเวลามีความโกรธความเกลียดรวมทั้งความเศร้า ความนุตตกกำลวัวปความเครียดเราก็มักจะปล่อยให้มันคนะาราคาั่งมันอยู่ในใจหรือว่าเล่นงานเราอยู่ในใจบางทีก็ถึงกับถนอมหวงแหนมันไว้ดีซัาเวลาโกรธใครนะและมีเพื่อนมาบอกว่าให้อภัยก็เถอะนะใช้อภัยก็เถอะ บาที่เรากลับไปโกรธเพื่อนเลยนะที่แนะนําอย่างนั้นเพราะว่าเราอยากจะฟังอยากด้ยินคําของเพื่อนที่บอกว่าให้โกรธมันไปเยอะๆหรือว่าอยากจะยินเพื่อนเนี่ยเราจะพอใจถ้าเพื่อนนะลุ่มใส่ไฟคนที่เราโกรธเพื่อที่เร า, าได้โกรธมากขึ้นความโกรธมันเผาใจเราแต่ทําไมเราถึง หวงแหนปกปักรักษาความโกรธเอาไว้ทำไมการให้อภัยมันจึงกลายเป็นเรื่องยากหลายคนก็มักจะบอกว่ามันจะหาเหตุผลเพื่อที่จะสนับสนุนความโกรธของตัวเพราะมันเลวเพราะมันชั่วเหตุผลเหล่านี้มีไว้เพื่อที่จะ ปฏิเสธการให้อภัยเราจะมีเหตุผลมากมายที่บอกว่าไม่สมควรให้อภัยมันแต่พอเราไม่ให้อภัยแล้วเนี่ยใครที่เดือดร้อนใครที่เป็นทุกข์ก็คือเรานั่านแหละถ้าเราไม่ให้รู้จักการให้อภัยใจเราก็จะเป็นทุกข์ไม่ใช่แค่ทุกข์ใจฉะนั้นกายก็ทุกข์ด้วยน ะ, เ พ, ะเพราะความโกรธมันุมเรา ความดันก็ขึ้นนะแล้วความเจ็บป่วยต่างๆก็ตามมาบางคนโกรธสะสมนะจนกระทั่งเส้นเลือดในสมองแตกนะเป็นอัมาาพาตร็จแล้วก็ยังไม่รู้ตัวนะก็ยังไปคิดว่านะที่ป่วยเช่นนี้นะเป็นเพราะคนนั้นคนนีนะ้ไม่ได้เฉลียวใจหรือกลับมามองแล้วว่าเป็นพ่อตัวเองต่างหาก นะที่ทำให้ตัวเองเนี่ยลงเอยแบบนั้นหลายคนมักจะบอกว่าเนี่ยฉันจะให้ภายเขาได้ก็ต่อเมื่อเขามาขอโทษฉันํนะาพูดแบบนี้เนี่ยเหตุผลแบบนี้ก็ไม่ต่างจากคนที่ถูกรถเฉียวชนนะบนถนน แล้วก็รถคันที่เชียวชนก็ไม่มาอินังขังขอบไรเราก็ขับรถผ่านไปไม่มาสนใจอันนี้เจอบ่อยนะแล้วพอเราถูกเฉียวชนแล้วบางทีถึงกับขาหักแขนหักแล้วก็มีรถเตียบาลมาทันท่วงที แต่ว่าเราก็ไม่ยอมขึ้นรถไม่ยอมไปโรงพยาบาลไม่ยอมรับการเยียวยารักษาเราบอกว่าเราจะไปโรงพยาบาลเราจะรับการเยียวยาก็ต่อเมื่อติงผีคนนั้นเนี่ยมาขอโทษเราก่อนถ้าเขาไม่มาขอโทษฉันฉันจะไม่ไปโรงพยาบาลติดขดัจะไม่ขึ้นรถโรงพยาบางถ้าเราทำาบบนี้นี่ถือว่าฉลาดหรือเปล่า ใครก็าตามเนี่ยถ้าอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นนะถูกรถชนแขนหนักขาหักหรือบางทีถึงกับอายะภายในแตกก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลก่อนส่วนคนที่ขับรถชนนี่เขาจะมาขอโทษขอโภัยหรือไม่มันเป็นเรื่องที่หลังหน้าที่ของเราก็คือต้องเยียวยารักษาร่างกายเราก่อน จิตใจก็เหมือนกันนะเวลาจิตใจเรานะเกิดบาดแผลนะพะถูกกระทาอย่างแรกที่เราควรทำก็คือว่าเยียวยาจิตใจก่อนและสิ่งที่เยียวยาจิตใจเวลามีความโกรธก็คือการให้อภัยนะเพราะว่าพอเราให้อภัยแล้วความโกรธมันก็จ ะ, อะบอลบรรทบเบาบาง ไฟที่เผาจิตใจเราก็จะน้อยลงแต่ถ้าเราไม่ไม่รู้จักให้อภัยนะเราก็จะอยู่อยู่ได้ยากแม้ว่าจะมีจะอยู่บ้านที่เป็นคฤหาสน์นะอาหารอะร่ออร่อยแต่ถ้าความโกรธความเกรียดมันเผาหลนใจแล้วเนี่ย ก็เหมือนก็อยู่ร้อนนอนทุกข์นะสู้อยู่บ้านที่เป็นหรือว่าอยู่เพิงอยู่เต็นนะแต่ว่าติดใจเนี่ยไม่มีความกวดความเกลียดอย่างนั้นเนี่ยเรียกว่าอยู่สบายกว่าได้ซ้งเรียกว่าอยู่เย็นเป็นสุขแนละ้วคนราถ้ารักตัวเองนะเราต้องอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือว่าอย่าซ้าเติมตัวเองนะ คนหนึ่งเขาทำอะไรเขาทาอะไรไม่ดีกับเราอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาเขาไม่ใช่เราเราห้ามเขาไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เราไม่ควรทำคือซ้ำเติมตัวเองนะเขาด่าเรานะเขาแกล้งเราโกงเงินเรานะ แ, แค่นั้นก็แย่พอแรงอยู่แล้วนะ แต่ถ้าเกิดว่าเราซ้าเติมตัวเองก็คือปล่อยให้ความโกรธความเกลียดมาเล่นงานใจเราอันนี้ถือว่าเราไม่รักตัวเองนะใครท้าใครก็ทำอะไรทาอะไรกับเราเนี่ยเราห้ามไม่ได้แต่สิ่งที่เราพอจะช่วยไม่ให้มันเลวร้วายคือว่าไม่ซ้าเติมตัวเอง เขาด่าเรานะถ้าเราไม่เก็บเอาคําพูดของเขานะมาทิมแทงใจเราเนี่ยเราก็ไม่ทุกข์นะเขด่าก็ด่าไปนะไม่เอาคาของเขามาบวนนิดําหนึ่งอยู่บ่อยๆเราก็นอนหลับได้สบายแต่ถ้าเกิดว่าเรานอ น, อนไม่หลับนะกินไม่ได้แล้วไปโทษว่าเป็นเพราะเขา พูดไม่ดีกับเราทำไม่ดีกับเราอันนี้ยังไม่ถูกต้องนะเพราะว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังนะตบมือข้างเนึยวไม่ดังเขาด่าเราถ้าเราไม่เก็บเอามาคิดหรือไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับมันเรากมม็มีวันที่จะเจ็บที่จะปวดได้นะแจะไปเพราะใจเราต่างหากนะนะที่ไปเก็บ เอาคำของเขาเนี่ยมาทวนย้ำซ้ำเติมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พูดไปแล้วทำแล้วเนี่ยนานเป็นปีบางทีสิบปีก็ยังเหมือนกับว่าเขาเพิ่งด่าเราเมื่อสักครู่นี่เองไอ้คำด่าของเขาการกรทำเขานี่มันยังใหม่ๆ่ยังสดสดอยู่เพราะอะไรนะเพราะว่าเราต่างหากนะที่ เอาคำของเขาเอาการกระทำของเขาเนี่ยมาทำร้ายตัวเราเองก็ทำไปแล้วสิบปีที่แล้วนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาทำกับเราทุกวันทุกวันเขาโกงเงินเราไปนะเมื่อปีที่แล้วแต่ก็เหมือนกับว่าเขาโกงเงินเราทุกวันทุกวันแล้วก็จะโกงเงินเราตลอดไปพรุ่งนี้ก็จะโกงวันนี้ก็จะโกง นั่นพราอะไรเพราะเราหวนคิดถึงสิ่งนั้นอยู่เรื่อยๆมันก็เหมือนว่าทําซ้ําอยู่และที่ทําซ้ํานี่ไม่ใช่เพราะใครไม่ใช่เพราะเขาแต่เป็นเพราะเราทุกครั้งที่เราทุกใจนะเพราะเมื่อมีสินบนสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราให้เราเราู้ลึกอยู่เสมอว่าตกมือข้างเดียวมันไม่ต่ำถ้ามี มือข้างเดียวไม่ดังมันต้องมีสองมือปัจจัยภายนอกไม่ทาให้เราทุกข์ถ้ามันมีแค่ปัจจัยภายนอกเช่นคำต่อว่าดาทอหรือว่าการสูญเสียพัดพราดการถูกลักขโมยถูกเบียดเบียนมันต้องมีปัจจัยภายในคือใจของเราเนั่ยแหละเมื่อมันมีองค์ประกอบสองอย่างครบนะ ความทุกข์ก็เกิดขึ้นทันทีเหมือนกับถ้ามีมือสองมือเนี่ยตกถึงจะดังถ้าเขาด่าเราแต่ใจเราไม่สนนะก็ไม่ทุกข์มีเรื่องเราว่าหลวงปู่ขาวเนี่ยท่านเคยสั่งให้พระให้ลูกสิษย์สองสองรูปเนี่ยเป็นพระเนี่ยไปด่าแม่ชีคนหนึ่งชื่อแม่ชีสานะ แม่ชีสานี่ก็เป็นแม่ชีที่เรียกว่าปฏิบัติดีนะตั้งใจรักษาศีลบะเป็นภาวนาก็อยากจะทดสอบว่าแม่ชีสานี่นะภาวนาไปถึงไหนแล้วก็ให้พรานเนี่ยสองรูปไปดาหน้ากุติทั้งสองท่านก็ทำตามตองสัพท์นะดาดาดาไปขุดคำดางตามนี้รดา นาคุติแม่ชีแม่ชีทีแรกก็งงๆนะแต่ว่าแ่ก็พนมมือนะนิ่งฟังคำด่านะฟังไม่ไม่มีท่าทีโกรธหรือโมโหโพังสองท่านด่าจบแม่ชีก็ถามว่าแล้คุณเจ้าด่าหมดแล้วเหรอนะที่ฉันฟังแล้วเนี่ยซาบซึ้งเหลือเกิน าดาของพระคุทเจ้านี่เป็นธรรมะทั้งนั้นเลยคราวหน้านี่มดดัด่ายนะมันจะได้ช่วยขุดกิเลส ด, ดิฉันนะคนที่บอกว่าถูกด่าทาให้เป็นทุกเนี่ยไม่จริงนะมีหลายคนเนี่ยถูกด่าแล้วไม่ทุกข์อย่างแม่ชีสาเนี่ยด่าก็ไม่ทุกข์ทั้งที่น่าจะทุกข์นะว่าโอ้โหนี่เราอุสาธธรรมดีนะเราส า, ร, ร, สารักษาศีลราสา ปฏิบัติธรรมนะทาไมครูบาอาจารย์ด่าเราอย่างนี้ก็เสียชื่อเสียนะถ้าเกิดคนหนึ่งเขารู้ไปทั่วทําว่าเราถูกครูบาอาจารย์ด่าเนี่ยอาจาร์าเจ้าหน้าไปไว้ที่ไหนนะนะคิดแบบนี้ก็ทุกข์นะหรือว่ามันยุโกรธนะว่าเนี่ยว่าทำไมมาว่าเรานะเป็นครูบาอาจารย์ทาไม ถึงใช้พุทธวิจายอยาบคายแบบนั้นไอนะ้คิดแบบนี้ก็โกรธนะแต่ว่าไม่ศีรษานี่แกไม่มีความรู้สึกแบบนั้นเลยเนะี่ยเพราะแกนะมีทั้งสติแล้วกระปัญญานะสติก็รู้ทันนะใจที่กระเพื่อมถ้าเกิดมีนะแล้วกัปัญญาก็คือการรู้จักมองนะเช่นมองคำด่าว่าเป็นธรรมะเนะี่ยอันนี้ก็เป็นปัญญาเมกันนะ มองว่าเออด่าแล้วก็ดีเหมือนกันนะคำด่าเป็นเครื่องขูดกินเละนะถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยนะคำต่อว่าด่าทอของใครนะก็ทำให้เราทุกข์ไม่ได้ที่จริงไม่ต้องเป็นนักปฏิบัติหรอกนะแค่เป็นคนธรรมดานะที่อยู่ใช้ชีวิตทางโลกนะแต่ว่ารู้จักคิดรู้จักพิจารณารู้จักไตรตรอง ก็จะเห็นประโยชน์ของคําตว่าดาทอนะอย่างเจ้าของเมืองโบราณเนี่ยที่เสียชุดไปนานแล้วเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งเมืองโบราณคุณเล็กวิริยพันธ์เนะผู้ก่อตั้งวิริยะประกันภัยเนี่ยเป็นคนน่าสนใจเป็นคนที่แม้จะร่ารวยมากแต่ว่าติดดินนะจะเป็นคนที่สนใจธรรมะจะเคยพูดว่าเนี่ยวันไหนไม่ถูกตําห น, นิวันนั้นเป็นอภิโมขคน แต่ว่าถ้าวันไหนถูกตำหนิว่นนั้นเป็นมงคลคือมองว่าคำตำหนิเป็นของดนะีเมื่อถูกตำหนิแล้วก็ไม่โกรธเนะพราะเห็นว่าเออได้ประโยชน์น ะ, ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเวลาเราเวลาเราทุกข์นะเมื่อถูกตำหนิถูกต้อว่าดาทอร์เนี่ยเดี๋ยวเพิ่งไปทุกขคนอื่นอย่างเยอะนะต้องกลับมาดูใจเราว่าใจเราเนี่ยมันวางใจไม่ถูกหรือเปล่า เป็นเพราะเราวางใจไม่ถูกนะเราจึงทุกข์เราจึงโกรธเราจึงโมโหคนส่วนใหญ่กจะไปโทษสิ่งอื่นคนอนนื่นเมื่อมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นแต่ไม่ค่อยมาเฉลียใจหรือไม่ค่อยมากลับมามองตนเท่าไหร่ว่าเออมันเป็นเพราะใจเราหรือเปล่านะเป็นเพราะเราไม่รู้เท่าทันนะ จิตใจหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเราลึกเปล่าคนมักจะไม่ค่อยมองมาที่ตัวแล้กลับไปโทษคนอื่นหลวงพ่อชาตั้งพูดว่าเนี่ยมีหลุมนะหลุมหลุมนึงอยู่ในแล้วเราเอามือล้วงเข้าไปในหลุมนะถ้าเราเอามือล้วงไปไม่ถึงก้นหลุมนะคนร้อยทั้งร้อยนะก็จะบอกว่าหลุมมันลึกไม่มีใครที่บอกว่าเป็นพ่อแขนเราสั้น เราไปโทษหลุมว่ามันลึกนะแต่เราไม่เคยมองเร้่แขนเราสร้างหรือเปล่าเวลาทุกข์นยะไม่เป็นเพราะความโกรธความเกลียดความเศร้าวความเสียใจเนี่ยเราก็มักจะไปโทษคนนั้นคนนี้แต่ไม่ค่อยกลับมาดูใจนะว่าเราวางใจถูกไหมเราไปยึดติดถือมัน่นเราไปแบกมันเอาไว้หรือเปล่านะเหตการณมันผ่านไปเป็นปีสิบปีแล้วก็ยังแบกมันเอาไว้นั่นเป็นเพราะใจของเราต่างหาก และนี่แหละคือเรียกว่าเราซ้ำเติมตัวเองนะเราทําร้ายตัวเองป้าก็บอกว่ารั ก, ร, กรักตัวเองรักตัวเองนะแต่ว่าทาร้ายหรือว่าซ้ำเติมตัวเองตลอดเวลาเวลาของหายเงินหายแทนที่จะปล่อยให้หายแต่ของหายแต่เงินนะก็ปล่อยให้อย่างอื่นนะมันสูญหายไปด้วยพอไม่ปล่อยไม่วางนะ มันก็ทำให้เกิดความทุกขา ม, มาไม่ใช่แค่ของหายนะไม่ใช่แค่เงินหายใจก็หายความสุขก็หายไปด้วยไม่ใช่เสียแต่เงินนะใจก็เสียด้วยแล้วพอใจเสียนะถ้าเสียมากๆเนี่ยก็กินไม่ได้มอไม่หลับแล้วสุขภาพก็เลยเสียตามนะ พอใจเสียสุขภาพเสียหรือถึงว่าถึงแม้ใจเสียแต่สุขภาพไม่เสียยังยังยังยังทํางานได้แต่ว่าใจเนี่ยมันไม่มีสมาธิที่จะทํางานแล้วบางคนโดนโกงเงินไปเป็นแสนเนี่ยไม่มีสมาธิทํางานเลยหมกมุ่นกุ้นคิดแต่เรื่องถูกโกงงานก็เสียนะแล้วพอพอปล่อยให้จิตใจว่าวุ่นกุ้มใจ เมื่อเกิดความหุดหันตตามมาใครมาคุยด้วยก็โมโหง่ายใครก็้ามาแยแยใครก็มาแซวมาหยอกก็โกรธเพื่อนมาแยเพื่อนมาแซวก็โกรธเพื่อนดา่าเพื่อนก็เสียเพื่อนหรือว่าเสียความสัมพันธ์บางทีก็โวยวายใส่คู่รักใส่พ่อแม่อันนี้ก็เสียความสัมพันธ์คนหนึ่งเขา ท, ทาได้อย่างมากแค่โกงเงินเราเอาเงินเราไปเอารถเราไปเอาโทรศัพท์เราไป แต่เขาไม่สามารถทำให้เราเสียใจเสียสุขภาพเสียงานการแล้วก็เสียเพื่อนได้มีคนเดียวที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นได้คือเรานะแล้วทำไมเราทำอย่างนั้นนะอย่างนี้เรียกว่าซ้ำเติมตัวเองไหมอย่างนี้เราเรียกว่ารักตัวเองหรือเปล่านะเราทำงั้นเพราะเราลืมตัวเมื่อแล้วก็ตามที่เราลืมตัวนะเราก็ทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวนะ ทำร้ายตัวเโดยไม่รู้ตัวมันก็บอกชัดอยู่แล้วว่าลืมตัวนะแล้วลืมตัวเพราะอะไรเพราะว่าปล่อยให้พ่อไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางหัวรคิดถึงเหตุการณ์นั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าหัวรคิดถึงคําพูดนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าหวนคิดถึงการกระทําของคนนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะมันก็เลยเครียดก็เลยทุกข์ก็เลยโกรธก็เลยเศร้านะแล้ว พอเกิดขึ้นมากๆก็ลืมตัวจกนกระทั่งนะทำอะไรต่ออะไรามากมายที่เป็นผลเสียกับตัวเองฉะนั้นถ้าเรารักตัวเองนะอยากให้ตัวเองมีความสุขนะต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างนะต้องรู้จักดูแลรักษาใจของเราอย่าให้ ความโกรธความเกลียดความเศร้าความเาคมเรยียดความวิตกกังวลเนี่ยมาเล่นงานจิตใจของเรารักษาใจของเราอย่าไปหมกบุญกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้แล้วก็อย่าไปวิตกกังวลกับสิ่งที่มาไม่ถึงเพราะมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะเราจะรักษาใจกันได้ต้องอาศัยสตินะความรู้สึกตัวความรู้ตัว พราะว่าเร า, เราใจเราเผลอไปในเรื่องที่มันไม่น่าคิดไม่น่าไปใส่ใจ<ม>ก็เพราะเราลืมตัวเพราะเราไม่มีสติไอ้สิ่งที่มาไม่ถึงรู้ทั้งรู้มันยังมาไม่ถึงแล้วอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ก็ยังไปยึดตกกังวลถึงมันนะอันนี้ก็เพราะลืมตัวจริงจริงทีจง่จริงเนี่ยจริงอยู่นะคนเราเนี่ย นะมันมีปัญหาอยู่ตลอดเวลานะปัญหานี่เป็นธรรมดาของมนุษย์นะแต่ไม่ได้ว่าไม่ใช่ว่ามีปัญหาแล้วเลยต้องทุกข์เสมอไปมันะอยู่ที่ว่าเราจะเกี่ยวข้องกับปัญหาอย่างไรปัญหานี่เขามีไว้แก้นะไม่มีไว้กลุ่มนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยปัญหามีไม่แก้นะเอาแต่กลุ่มอยู่นั่นแหละแล้วนะที่กลุ่มนี้พรอะไรเพราแบกมันเอาไว้ เมื่อสักหบเจปีก่อนเนี่ยมีสังคราชองเนี่เป็นสังคราชเจ้านะพระสังพรราชเจ้าเป็นพระสังคราต เ, เ, เจ้าอสุดท้ายกรมหลวงวชริรยานาวงเป็นอุปัชาของอสังคราตนะที่ได้สิ้นประชวม์ไปเมื่อสองพิธีแล้วนะสมเด็จพระญาณสังวรแล้วก็เป็นอุปัชาของในหลวงองค์ปัจจุบัน คราวนึงก็มีลูกศิษย์มาหาเป็นนายทหารนะก็ไปกราบท่านเพราะว่าเคยเบื่อกับท่านท่านกระถาเป็นยังไงนายทหารคนนี้เนี่ยสีหน้าไม่ดีเลยหน้ายูย่ยี่ก็บอกว่าหนักหนักไม่ไหวเลยเอ๋อเป็นอะไรเหรอเท่านี้แหละนะนายทหารก็พรั่งครูมาเลยปัญหา สารพัดปัญหาเรื่องลูกปัญหาเรื่องหลานปัญหาเรื่องงานการเรื่องครอบครัวปัญหาสารพัดรั่งครูมาพูดไม่หยุดเลยนะท่านก็นั่งฟังอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ขัดไม่ได้ไม่ได้ท้วงอะไรแล้วก็ไม่ได้ให้คําแนะนําอะไรทั้งสิ้นแกก็พูดประมาณสิบยี่สิบนาทีได้แต่ท่านฟังเสร็จก็บอกว่าเออ เดี๋ยวให้เดี๋ให้ทําอะไรสักอย่างนะเอาคุกเขา่ายื่นมือสองมือมาแล้วท่านท่านก็เอาเศษกระดาษนะให้ชายคนนั้นเนี่ยถือเอาไว้ถือเอาไว้นะ่าอยู่ตรงนี้นะไม่เอาไปไหนนะเดี๋ยวฉันก็ไปข้างในก่อนแล้วท่านก็เสด็จเข้าไปในตําหนักห้านาทีก็แล้วท่านก็ยังไม่กลับมายังไม่ออกมาสิบนาทีก็แล้วท่านก็ยังนะไม่เสด็จออกมาชายคนนั้นเนี่ยถือกระดาษ แค่แผ่นเดียวเนี่ยแต่พอผ่านแล้วสิบนาทีสิบห้านาทีเนี่ยมันก็เริ่มหนักแล้วมือก็เริ่มสั่นแล้วนะขาก็เริ่มเมื่อท่านก็ยังไม่เสด็จออกมาอีกนะจนะนเกือบครึ่งชมมั่วโมงมท่านก็เสด็จออกมาพอมาถึงก็ถามเป็นยังไงนายถามว่าวบอกหนักครับไม่ไหวครับถือไม่ไหวแล้วครับท่านก็เลยบอกว่าถ้าไม่ไหวก็ วางมันลงเสร็จถือว่าอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นอื่นอย่างไปได้อย่างไรนะที่ท่านสอนแล้วนะท่านสอนแบบอ้อมอ้อมท่านกําลังบอกนายฐานคนนั้นว่าอะไรกำลังบอกว่าอย่าแบกบขึ้นชื่อว่าแบกนะขึ้นชื่อว่าถือแล้วเนี่ยแม้แต่เศษกระดาษ นะซึ่งดูเหมือนไม่มีน้ำหนักเลยเนี่ยมันก็จะหนักขึ้นไะด้นอะไรก็ตามเนี่ยถ้าแบกเนี่ยมันทุกทั้งนั้นเนี่ยแม้แต่แบกความคิดแบบอารมณ์ต่างๆความวิตกกังวลส่วนในภาษากราจาเนี่ยทางการบอกนาทารคนนั้นว่าให้วางซะนะให้วางซะคนเราทุกเนี่ยไม่เพราะปัญหานะ แต่ทุกเพราะแบกปัญหาเมื่อกี้เราก็ได้สวดนะว่าการแบกคือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกการสลักของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขในความสุขในความสงคนเรามันก็มีหลายอย่างนะสุขจากการเสพสุขจากการบริโภคดูหนังฟังเพลงกินอาหารอร่อยจะไปเที่ยวสถานที่ที่แปลกตาแปลกใจ แต่ความสุขที่มันลึกไปกันนั้นคือความสุขทางใจนี่มันเกิดขึ้นได้เพราะการรู้จักปล่อยรู้จักวางไม่แบกเอาไว้และความสุขอย่างนี้เนี่ยพบได้ทุกเวลาความสุขจากการกินการเสพการเชื่อ น, นี่มันต้องไปห้างต้องไปเหลาต้องไปพัตตะคามซึ่งจะว่างไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ไปแล้วเนี่ยไปกินไปฟังแล้วเนี่ยอาจจะไม่สุขก็ได้นะถ้าเกิดใจยังห่วงกังวลนะไปกินอาหารที่แพงปาฏิานิห้าดาวมิชลินสามดาวแต่ถ้าเกิดว่าใจห่วงถึงลูกนะกินก็ไม่อร่อยไปฟังเพลงนะจ่ายค่าตัวเป็นหมื่น แต่ถ้าเครียดถึงสามีหรือว่าโมโหลูกฟังก็ไม่เพราะไม่มีความสุขแต่ถึงแม้อยู่บ้านไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปไหนแต่ใจปล่อยใจวางวางเรื่องลูกวางเรื่องหลานวางเรื่องหนี้สินนะความสุขก็พบตรงนั้นเลย ความสุขก็เกิดขึ้นตรงนั้นเลยคือความเบาความสบายปล่อยวางไม่ได้แปลว่าปล่อยปละละเลยนะปล่อยวางเรื่องลูกไม่แปลว่าไม่ดูแลลูกปล่อยวางเรื่องหลานไม่แปลว่าไม่ดูแลหลานก็ยังดูแลอยู่กิจการงานก็ยังทำแต่ว่าทำจิตด้วยในเวลาเดียวกันทำทั้งจิตทำทั้งกิจทำกิจก็คือการดูแล ทำหน้าที่ส่วนทําจิตก็คือการรู้จักปล่อยรู้จั ก, กวางกนะารทำกิจและทําจิตพร้อมๆกันไดนะ้เราดูแลลูกอย่างเต็มที่ดูแลหลานเต็มที่แต่ว่าใจไม่เครียด ก, ก็ได้นะทําเต็มที่ทําให้สีรียสนี่ทําได้นะเพราะว่าเรารู้จักปล่อยรู้จักวางนะ ตรงนี้มันเป็นศิละปะนะในการดำเนินชีวิตถ้าเราไม่ปล่อยไม่วางนะมีอะไรมากระทบก็จะหุดหงิดได้ง่านยะเสียงดังก็หุดหงิดนะแล้วก็ไปโทษเสียงโดยที่ไม่ได้ตระหนักเลยว่าเป็นเพราะใจเราเนะี่ยไปยึดติดถือมั่นกับเสียงน่าตังหะ นี้เป็นกันเยอะนะและสมัยนี้มันก็เด่นี่มีเสียงอะไรตออะไรมากมายแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะระวังใจไม่ถูกต่างหากเพราะใจเราไปยึดไปติดนะไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จั ก, กวางสมัยที่มีควาญูพ่อชาสุภัทโทนี่ท่านไปไปเทศนะได้รับอนุโว่าิ์ไเทศเทศี่ประเทศอังกฤษ ท่านก็พาอาจารย์สุดเมโทโธแล้วก็ลูกศิษย์ฝรั่งหลายคนไปด้วยตอนนั้นเนี่ยวัดจิตตวิเวศวัดจิตเฮิยังไม่ได้สร้างวัดอมรารยีก็ยังอีกนานคนนิมนต์เนี่ยเป็นฝรังร่งนะก็นิมนต์ท่านไปพักที่นิหารแฮนสตัดตซึ่งอยู่กลางกรุงลอนดอนเป็นนิหารที่เอาไว้รับรองพระจากต่างชาติ โดยเฉพา ะ, ะพระที่มาจากทางเอเชียวิอารเนเนเซนเนี่ยอยู่กลางกรุงลอนดอนตรงข้ามเนี่ยมันเป็นผัเบเป็ น, นบาร์แล้วผับบาร์เนี่ยอังกฤษนี่ก็รู้อยู่แล้วว่ามันส่งเสียงเอตโรช่วงทําวัดเย็นเนี่ยนะที่พระทาวัดแล้วก็มีเสียงดนตรีดังมาจากตรงข้าม ทำวัดไม่เป็นไรนะแต่พอเวลานั่งสมาธินั่งสมาธินั่งนานนะสี่สิบนาทีเพราะว่าทั้งพระทั้งโยนในหลายรุ่นเนี่ยนั่งสมาธิไม่มีความสุขเลยสีหน้านี่บอกแต่หลวงพ่อตรงพ่อชาเนี่ยท่านนั่งนิ่งเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอทำสมาธิจบนะเจ้าภาพเนี่ย ก็เข้าไปหาท่านแล้วก็บอกขอโทษขอโทษที่มีเสียงรบกวนการทั้การนั่งสมาธิหลวงพ่อชาติท่านบอกว่าโยมาไปคิดว่าเสียงมันรบกวนเราที่จริงเราต่างหากไปบกราาไปบกวนเสียงนะแต่รถติดของหลวงพ่อาไม่ไปรบกวนเสียงนะรบกวนเสียงก็คือวไปทะละบาะแว้งกับเสียงไปจดจ่อผัก ตัจดจ่อด้วยความอยากจะผักสายเสียงนั้นเรียกเที่ยทะเลาะนะเสียงไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาที่ใจเราก็มีเรื่องคล้ายๆกันนะเป็นเรื่องของหลวงปูบงป่บุดาหลวงปู่บุดานี่ท่านมรณภะมรณะภ า, า, าพแล้ว22ปีเนะี่ยตอนที่มรณะภาพก็อายุหนึ่งศตวรรษเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมานานแล้วนะ50 60ปีแนละ้วอีกท่านได้รับนิมนต์ให้ไปฉัน ที่บ้านโยมในกรุงเทพแล้วก็เดินทางจากสิงห์บุรีไปไปฉันเพลที่บ้านโยมฉันเสร็จต้องก็จะกลับวัดโยมก็เห็นว่าท่านชราแล้วแล้วก็การเดินทางกลับสิงห์บุรีสมัยก่อนก็ใช้เวลานานอยากจะให้ท่านพักผ่อนก่อนก็เลยจัดท่องให้ท่านอเองนกลางก็มีลูกศิษย์สี่ห้าคนมานั่งเป็นเพื่อน เวลาลูกเสีจะคืนก็กระซิกระซาไม่อยากจะบรบกวนหลวงปู่แต่บางเออห้องที่ติดกันเนี่ยคือห้องแถวที่ติดกันเนี่ยมันเป็นร้านขายของชําเจ้าของเป็นอาศิล์นคนจีนสมัยก่อนเนี่ยก็จะสวมเกีย่ยไม้แล้วเวลาเดินก็เสียงดังยิ่งเดินขึ้นบันไดก็เสียงดังเพราะเป็นบันไดไม้เช่นก็ดังห้องที่หลวงปูว่ว ด, ดานะท่านพักผ่อนอยู่ ลูกศิษก็ไม่พอใจก็พูดขึ้ว่าวันนี้เนะดินเสียงดังจังเลยไม่เกรงใจกันพระพูท่านได้ยินนะท่านไม่ได้ลืมตาแต่ท่านก็เปิดเบาๆนะวันนี้เขาเดินเขา อ, อยู่ดีดๆเราเอาุบุไปลองเกีย้ยเขาเอง <c oughs> เสียงเกีย้ยไม่ใช่ปัญหานะปัญหาอยู่ที่ว่าอาวุธไปลองเกี้ยนะแล้วที่อาวุไปลองเกียนะก้ยเพราะอะไรเพราไม่มีสตินะถ้าเรารักษาใจเรานะ ใจเราดีเนี่ยหูก็ไม่ไปไม่ใช่เป็นหูหาเรื่องตาก็ไม่ใช่เป็นตาหาเรื่องแต่ถ้าไม่มีสตินะหูก็ไปหาเรื่องนะไปลองเกีย้ยวบ้างละหรือไม่ก็ไปทะเลาะบอแวงกับเสียงดนตรีบ้างละเนี่ยเสียงไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่ความไม่พอใจเสียงนั้นความไม่ชอบเสียงนั้นหรือว่าเพราะไปยึด ต, ติดถือมั่นกับเสียงนั้น ในทัน้งเรื่กันปัญหาก็ไม่ใช่ปัญหาในที่ทํางานปัญหาในครอบครัวก็ไม่ได้ทําให้เราทุกข์นะแต่ที่เราทุกข์เพราะเราไปยึดไปแบกปัญหานั้นเอาไว้นี่สินก็ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นเหตุที่เราทุกข์หรือไม่สามารถทําให้เราทุกข์ได้แต่ที่เราทุกข์ได้เพราะเราไปแบกนี่เอาไว้แบกตลอดเวลากินก็แบกนอนก็แบกอยู่กับลูกอยู่กับหลานก็แบกเข้าห้องน้ําก็แบก น, นี้เขามีไว้ให้เราชาระนะไม่ใช่เอามีไว้แบกเราก็เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างให้ถูกนะอย่าไปโทษถ้าเราเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างให้ถูกเราก็จะทุกข์แล้วพอเราทุกข์แล้วเนี่ยก็ยังไปโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้อีกไม่ได้กลับมาดูใจก้อนหินนะมันหนักแค่ไหนนะถ้าเราไม่แบกเราก็ไม่ทุกข์นะแต่ถ้าไปแบก <c oughs> ก้อนหิเมื่อไหร่ก็จะเหนื่อย แล้วถ้าเหนื่อยแล้วนี่ก็จะไปทุบก้อนหินนะต้องทุ ว, ว่าเราไปแบกหินมันทําไมทําไมเราไม่วางซะนั้นะถ้ารับตัวเองนะต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางนะแล้วแผ่เมตตาให้ตัวเองมีความสุขอย่างเดียวไม่พอนะต้องรู้จักกลับมาดูใจของเราแล้วรักษาใจของเราอย่าซ้ําเติมใจของเรานะด้วยการแบกปัญหาต่างๆทั้งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต หรือว่าที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันหรือว่าที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ยังไปปรุงแต่งสรรหามาแบบอีกนะนั้นถ้าเราอยากมีความสุขนะต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างนะความรับผิดชอบมีก็ทาไปนะแต่ว่าอย่าแบบอย่าไปยึดมั่นถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราเพราะอยู่กันมาไม่มไหวที่เป็นเราเป็นของเราได้ ร่างกายที่เราไปยึดเป็นของเราแล้วพอมันป่วยเราก็จะทุกข์นะไม่ใช่ทุกกายแต่ทุกใจด้วยสิ่งทั้งหลายที่ที่เราคิดว่าเป็นของเราที่จริงไม่ใช่ของเราหรอกแม้แต่ลูกและหลานเราเลี้ยงได้แต่ตัวแต่แตใจก็เลี้ยงไม่ได้บางทีเลี้ย ง, ยงเลี้ยงตัวยังเลี้ยงไม่ได้เลยนะ ตายายหลายคนก็อยากจะให้ลูกอยากจะให้หลานเนี่ยอ้วนหลานก็ไม่อ้วนสักทีขุนเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนแม่อยากจะขุนลูกให้อ้วนก็ไม่อ้วนอย่างตามาเนี่ยโยมแม่นี่สมัยตามาเป็นเด็กนี่ตัวผอมนะตัวเล็กแกร่นแม่ก็ขุนเต็มที่เลยนะทั้งทั้ง อ, อะไรทั้งพวกแบรนด์นะซุปไก่ สมัยก่อนไม่มีแบรนด์แล้ก็ไปซื้อไก่ทั้งตัวมานะแถวยาวาราาเนี่ยแล้วก็มามาตุนให้เป็นซุปเนี่ย <c oughs> ก็กินสารพัดก็ยังไม่อ้วนเลยหรือยังไม่ไม่โตเลยนะที่เรียกว่าเลี้ยงเลี้ยงแต่เลี้ยงได้เลี้ยงได้แตดตัวก็ยังไม่ถูกนะเพราะว่ามันก็ยังเลี้ยงไม่ค่อยได้เลยนะตัวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงการเลี้ยงใจงมาเพื่อนเราจะมาไปเจอเพื่อน ที่งานศพเมื่อเมื่ อ, เ ม, อเมื่อปีที่แล้วงานศพพ่อเพื่อนแกเป็นนักธุรกิจนะนะระดับเรียกว่าร้อยล้านพันล้านเจอที่งานศพแกก็มาทักที่จริงรู้จักกันมาตั้งแต่ยุ่งห้าหกขวบนะเจอมาห้าสิบปีรู้จักกันมาห้าสิบปีแล้วเดี๋ยวสองอาทิตย์หน้าคงจะมาอีกมาพักป่าแว ก, ก็มาขอบคุณนะมาพ่ถามว่าขอบคุณเรื่องอะไรแกบอกว่า ได้ฟังเทปได้ฟังคามันยังอตามานะแล้วก็มันช่วยแกมากคือว่าแกยังมีความทุกข์เรื่องลูกนะแกเป็นคนขยันขันแข็งแรงขันแข็งแต่ลูกนี่ไม่ค่อยเอาฐานเท่าไหร่แกคอยจำจีจำใช้ลูกจำที่จำใช้ลู ก, นะ ล, กลูกก็ไม่ฟังแล้วก็ฐานความสามัญก็แย่ลงไปเรื่อยๆแกเครียดมากเลย จงท่านได้ฟังคำบรรยงคตมาเรื่องว่าลูกก็ไม่ใช่ของเราให้รู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างอย่างที่พูดมาสักครูนี้แกก็ได้คิดนะแล้วแกก็เริ่มทำใจนะไม่นานแกพบว่าพอแกทาใจให้เสร็จแกรส้ว่าแกเครียดน้อยลงและไม่นานแกก็พบว่าความสัมพันธ์แกกับลูกดีขึ้น ลูกก็มาบอกกับแกว่าพ่อเปลี่ยนไปนะพ่อเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้พ่อฟังพ่อฟังลูกแกก็งงนะเพราะแกคิดว่าแกก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมนะแต่ลูกสังเกตได้ว่าพ่อเนี่ยฟังลูกพอพ่อพอลูรู้สึกว่าพ่อพอรู้สึกว่าพ่อฟังลูกเนี่ยลูกก็ฟังพ่อมากขึ้นความสัมพันธ์ก็ดีขึ้น แกก็เลยมาขอบคุณนะวเออมาช่วยนะช่วยให้แกได้สตินะนอกจากแกจะเครียอน้อยลงแล้วเนะี่ยความสัมพันธ์ของแกกับลูกก็ดีขึ้นด้วยนะอันนี้ก็นะก็เป็นเป็นปัญหาสมาชิก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนที่เป็นพ่อแม่รวมทั้งตายายด้วยนะนะถ้านั่นเป็นเพราะอาการที่ไม่รู้จักปล่อยรู้จักวา จะปล่อยวางก็หมายถึงปล่อยวางที่ใจนะั้นส่วนกิจหน้าที่ก็ต้องดูแลแต่ถ้าปล่อยวางที่ใจแล้วการทําหน้าที่ต่อลูกต่อหลานมันก็จะดีขึ้นจะไม่ได้เป็นการไปคัดคั้นหรือว่าไปบังคับเขานะหรือว่ายัดเยียดแต่กลับจะฟังเขามากขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นนะซึ่งมันก็ไม่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันดีขึ้นด้วย อ่แล้วก็ฝ่าวิทนีนน ะ, อะขอยุติดวิทนีชนี้